เราก็ได้ร่วมกันออกเดินทางเพื่อทดลองการทดลองก็คือการขัดเราจิตใจของเราเองแต่การขัดนะการขัดธรรมดานะในการอยู่กับวัดกับวาแต่ว่าในการใช้ชีวิตปกติธรรมดาบางทีกิเลส ท, ที่มันหนากิเลส ท, ที่มันละเอียด กิเลสที่มันฝังลึกอยู่ในสมบูสันดานอยู่ในจิตใจมันมันก็ยากที่จะออกออกมาข้อวัดนะ่ะของเรื่องการทุ ด, ดงทั้งสิบสามข้อก็ก็เป็นอุบายเป็นอุบายที่จะช่วยให้การขัดเกลากาันะขูดนกิเลสที่มันหนาที่มันด้านที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจมันมันสามารถออกได้นะคล้ายๆเหมือนกับบางที เหมือนกับขี่ไข่นะที่ติดอยูตามเนื้อหนังของเราที่ไข่บางอย่างใช้มือถูออกธรรมดาใช้ผ้าถูออกธรรมดาก็พอออกได้แต่บางทีถ้าเรามีหินขัดที่ไข่มาช่วยขัดนะที่ไข่มันก็จะออกได้ง่ายขึ้นทุดงควัดก็ก็เป็นเช่นนั้นในการปฏิบัติธรรมก็เป็นหนทางในการที่จะ พาเราออกจากความทุกข์นี่แต่การที่เรามาเพิ่มข้อวัดเรื่องธุตดงขวัดก็เป็นการเพิ่มความความเข้มข้นเนาะเพิ่มความเข้มข้นหรือว่าเพิ่มกำลังแห่งอินทรีย์ทั้งหลายให้มันมากขึ้น เ, นเพื่อที่จะได้ขัดเกาขูวเกาเกิเลสออกออกไปจากจิตใจได้มากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็สนับสนุน พิสูจที่ถือตุดงขวัตมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะรมีพระมหากัสสปะเป็นเป็นเอกัตถ ะ, ะเรื่องทุดงขวัตคือเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตในการถือทุดงตลอดทางชีวิตนะแม้ท่านจะเป็นพระอาหันต์แล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังชอบวิธีชีวิตแบบ อยู่ตามป่าอยู่ตามเขาอยู่ตามถ้หรือว่าคือผ้าบางสกุลเที่ยวบินทบาชันมือเดียวนอนตามโคนไม้นอนตามป่าช้าอันนี้คือคือข้อวัดที่ท่านทำเป็นกิจวัตรประจำวันเสมอมาที่จริงก็มีครูบาอาจารย์ก็สืบทอดแนวทางนี้มาเรื่อยๆนะในเมืองไทยเราก็มีหลวง ปู่เสาหลงปูมั่นครูบาอาจารย์ที่เป็นลุกศิษย์ของทั้งสองท่านเร่ยมานะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่การถือธูปรงควัมรมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติในแนวทางของของสำนักไหนโดยเฉพาะหรือว่าของครูบาอาจารย์ใดโดยเฉพาะหรอกเพราะว่าครจ้าท่านท่า น, ท, านท่านตัดไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการฝึกจิตใจ ทั้งสำหรับพระแล้วก็สําหรับทั้งเครื่องหัดก็ได้นะที่จริ ง, ดดงขุโดวงพวัดไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะออกเดินขุโดวงได้นะบางทีมันก็เป็นภาพที่ที่คล้ายๆเป็นภาพประทับเนาะบางทีถ้าเราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ในวัดป่าบางทีเราก็จะ ค, คิดว่าการที่เพียงแค่ เ อ, อพอได้ออกเป็นบวชเป็นพระแล้วก็ต้องออกไปเดินทุดดง่งตามป่าตามเขานะแล้วก็มันถึงไปเจอเสือเจอช้างเจอผีเจ อ, เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมันถึงจะเป็นการทําให้เกิดการบรรลุธรรมแต่นั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่แคล้ายๆเหมือนเป็นสีสันภายนอกเฉยๆแต่เราควรที่จะกลับมาศึกษาถึงเนื้อหาหรือว่า หัวใจของการทุดงนะเพราะการหัวใจของการทุดดงคือการขัดเกล็กิเลสออกไปจากจิตใจของเราเนะี่ยดังนั้นเราจะออกเดินทางเพื่อทุดงก็ได้หรือที่จริงการอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งตัดจะที่จะทุดงในชีวิตประจําวันมันก็ได้เช่นกันนะแต่คราวนี้เราออกเดินทางเพื่อการทุดงเนาะมันก็จะทําให้เราได้ เพิ่มรสชาตนะิหรือว่าเพิ่มสีสันเพิ่มความยากลําบากในการเรียกว่าขัดเก่าจิตใจของเรามากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินนแะล้วจะเป็นเรื่องการนอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สอยบริการหรือว่ากีวอต่างๆมันะก็จะทําให้เป็นการขัดเก่าตัวเองไง่ายๆขึ้นการกิน <c oughs> นะก็ลองดูนะใครจะถือทุตดงข้อไหนบ้างก็ให้ตั้งสัจจค ก, กับตนเองใครอยากจะถือทุดงชันมือเดียวนะก็จะได้เป็นการลองดูว่ามือเดียวและทั้งเดินด้วยทั้งแบกสัมภาระด้วยจะไหวไหมเนะี่ยหรือว่าใครคิดว่าไม่ไหวก็สองมือนะก็ไม่เป็นไรเนะี่ย แต่ยังไงเราก็้เราก็คงถือตัอดองเรื่องการบินทบาทถือตัอดงเรื่องการฉันอาหารในบาทอันนี้เป็นหลักทำแบบ ห, หลายรูปอยู่แล้วแต่จริงมันก็จะทำให้เราเราเห็นกิเลส ข, ของตัวเองดีนะลองสังเกต ด, ดูเรื่องการขบการฉันบางทีเราก็ว่าเราเป็นคนฉันง่ายอยู่ง่ายแต่พอออกมาทัดงแล้วบางวันได้อาหารบ้างบางวันได้แต่กับได้แต่ข้าว เหนียวเปล่าๆบ้างบางวันได้อาหารนิดเดียวแต่หมู่คณะมีเยอะเราเห็นกิเลสในจิตใจของเราที่มันกระเพิ่มในความอยากในความพอใจในความสนีทีเหนียวหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากเนาะแต่ถ้าเราอยู่กับวัดปกติธรราบางทีอาหารการกินที่ทางวัดจัดหาหรือว่าญาติโยมจัดมาให้นี่มันก็มันมันเพียงพอ ดุลมีมันมากเกินความเพียงเกินความต้องการได้ซ้ำไปนะเรียกว่ามันเหลือเฟือได้ซ้ำไปการที่ออกเุ้นตงมันก็เป็นการที่เรียกว่าทําให้เราได้เห็นตัวนี้ว่าเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่สามารถจะดู้ล่วงหน้าได้หรือว่าคาดการได้ได้ซ้ําว่าแต่ละวันจะบินธรรบานได้ได้หรือเปล่าได้มากหรือได้น้อยนะก็ไม่รู้แต่การไม่รู้ก็ไม่ใช่จะเป็นที่เราจะต้องไปทุกข์ล่วงหน้าเนาะ บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องทุหรอกถ้าเราวางใจดีก็เออในเช้า ว, วันนี้หรือเช้า ว, วันต่อไปจะได้อะไรก็จะฉันตามนั้นแหละนะได้ได้น้อยก็ฉันตามน้อยได้มากก็ฉันแค่พอประมาณ <c oughs> บางคนได้มากก็ฉันกักตุนไว้เผื่อวันหลังนี่ก็ไม่ได้เนาะหรือบางทีเราได้มากเราก็คิดจะไปกักตุนเก็บ นะเก็บไว้เผื่อคิดว่าวันหลังจะไม่มีบางทีวิถีชีวิตของของพวกเราหรือว่าของคนในทางโลกทัญใหญ่ก็คือว่าก็คิดเผื่ออนาคตเนาะคิดเผื่ออนาคตนะมันก็ไปที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะเราสะสมอาหารนะเช่นเราปลูกข้าวเราเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บข้าวไว้เพื่อกินทั้งปีนะ เรามีผลผลิตทางทางการเกษตรหรือจริงการเลี้ยงสัตว์ก็เพื่อเป็นความมั่นคงทางอาหารจะได้มั่นคงว่าจะไม่อดไม่ยากนะสำหรับตัวเราเองสำหรับครอบครัวเราเองอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของของมนุษย์นะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกของเรือนแต่คราวนี้เรามาเป็นนะเป็นนัก บ, บวชจนะเป็นพระเป็นแมช่ชีหรือแม้แต่พญาติโยมตอนนี้ก็เหมือนเป็นเป็นอนาคาริกนะ อนาคารินก็คือผู้ที่เรียกว่ามาออกจากเรือนนะแต่ยังไม่ถือเป็นนักบวชนะแต่ถือว่าเป็นเป็นคารวาสที่ไม่คลองเรือนแล้วนะออกมาละจากเรือนแม้จะเป็นชั่วคราวนะแต่จริงอนาคาลิษฐสมัยก่อนเขาคงตั้งใจออกเรือนแบบต่อไปเนาะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกบวชในสำนักไหนเป็นหลัก อนาคาริคในสมัยพุทธกาลไปเช่นนั้นอย่างที่จริงอย่างท่านมหาอพระมหากัสปะเองท่านก็เป็นเช่นนั้นนะจิตใจของท่านไม่คิดที่จะคลองเรือนเลยตั้งแต่เป็นเป็นเด็กเป็นหนุ่มละแต่ก็โดนพ่อแม่นะจับจับแต่งงานกับยิงสาวที่ก็ไม่คิดคลองเรือนเช่นเดียวกันก็อยู่กันไปงนงั้นแหละเนาะ นอนก็นอนฐานดังให้กั น, นดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ได้ดูแลกันในฐานะสามีภรรยาเมื่อถึงเวลาสมควรพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตแล้วก็เลยเออได้โอกาสดีเสียทีที่พวกเราจะออกจากเรือนจริงๆทำห่ากระสักะแล้วก็ภรรยาในนามนะ ก็ได้ว่าออกเป็นอนาคาลินะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ได้ว่าออกจากบ้านะนะแต่ก็ยังไม่ได้แน่ชัดว่าจะตัวเองจะไปศึกษาสำนักไหนแต่เพระเอิญก็ได้ครูบาอาจารย์ดีคือพระพุทธเจ้าท่านก็สา ม, มารถ เ, ออ <c oughs> เข้าถึงธรรมะแล้วก็บวชเป็นพระพิษุ่งของเราที่จริงนะตอนนี้เราใช้วิถีชีวิตแบบแบบพิษุแบบ แบบไม่ชีก็ดีหรือว่าแบบเป็นอนาคาริกก็ดีเนี่ยก็คือเราออกจากวัดเราออกจากบ้านนะแล้วก็มาลองดูว่าในแต่ละวันเราจ ะ, ะเผชิญอะไรเนาะให้เราทําใจให้ให้แบบให้เตรียมพร้อมในการรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตใจเราเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูสอนธรรมะของเราทั้งนั้นนะเราก็จะสามารถ เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันในแต่ละเวลานียก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถสอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นความสุขก็สอนธรรมะได้เช่นนั้นเราสามารถสัมผัสกับความสุขในการกินเพียงแค่ข้าวเหนียวสัมผัสกับรสชาติของข้าวเหนียวหวาน น, นนิดๆเหมือนเนี่ยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะ ในน้ำเย็นๆหรือว่าน้ำนาจากบางทีแค่น้ำเนี่ยบางบางขณะเนาะมันก็กลายเป็นความสุขแต่บางขณะมันก็กลายเป็นความทุกข์เป็นภาระนะบางทีบางทีเหตุปัจจัยเหมือนกันเนาะตัวเดียวกันนั่แหละแต่บางทีมันก็บางครั้งเราก็เรียกว่ามันเป็นความสุขบางครั้งเราก็เรียกมันเป็นความทุกข์ น้ำได้ในตอนที่ไม่ต้องการเราว่าเป็นภาระเราเป็นเรียกว่าเป็นกลายเป็นความทุกข์แต่น้ำถ้าได้มาในตอนที่หิวกะหายตอนที่เหนื่อยล้าตอนที่มันขาดเราก็โอ้มยความสุขสบายเหลือเกินนะไม่ใช่แต่น้ำเปล่านะไม่แต่น้ำหวานก็เช่นเดียวกันนะนะตอนแดดร้อนๆเหนื่อยล้าได้โค้กได้สปอนเซอร์มาโอ้รู้สึกสดชื่น แต่ตอนไหนมันเพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี้เองแต่มีคนถวายมาอีกออกลายเป็นภาระแล้วไม่อยากจะถือไม่อยากจะแบกอาหารก็เช่นเดียวกันนะ บ, บินธบาตเราไ ด, ได้ได้ข้าวได้ขับข้าวได้ขนมมามันก็รู้สึกดีใจรู้สึกพอใจเออคิดว่าวันนี้ไม่อดแล้วแต่พอบินไปเรื่อยมันได้มามากได้เป็นเต็มบาทได้ต้นบาท อ๋อเริ่มรู้สึกแล้วเป็นภาระนะภาระในการที่จะกินภาระในการที่จะเลือกภาระในการที่จะแจกจ่ายสิ่งของออกไปนะให้กับคนอื่นนะอันนี้มันก็เราก็เลือกไม่ได้เนาะแต่เราก็อ่านะคือเราเลือกไม่ได้ว่าคนเขาจะเขาจะทาให้เราหรือเปล่าหรือเราเขาจะไม่ให้เขาจะทำบุญไหมไม่ทำบุญอันนั้นเราเลือกไม่ได้ แต่ขอให้เราพยายามดูจิตของเราให้ให้ดีๆเนา ะ, นะคือเราไม่ได้เพื่อที่จะห้ามว่าอย่าไปทุกข์อย่าไปสุขอย่าไปดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจไม่ได้ห้ามตรงนั้นเนาะแต่เพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันจิตใจของเราเวลามีสิตต่างๆเกิดขึ้ น, นในแต่ละวันนั่นแหละตรงนี้มันจะเป็นการทาให้เราเกิดสตินะ รู้ทันกายรู้ทันใจอยู่เสมอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำปะนะก็ดีในือเรื่องของการเดินทางก็เป็นเช่นเดียวกันนะจะเป็นการเดินทางขึ้นเขาจิตใจรู้สึกแบบไหนลงเขาจิตใจรู้สึกอย่างไรนะเดินทางราบแล้วเป็นแบบไหนแดดร้อนหรือว่าแดดร่มดมตก ลมพัดเย็นสบายร่างกายรู้สึกอย่างไรจิตใจรู้สึกอย่างไรเราเนี่ยเราเป็นผู้คอยสังเกตนะเป็นผู้ที่เดินไปแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกายนะแล้วก็แค่ดูๆมั น, น ไ, นะมดมได้เล่นไปนะถ้าเรามีสติดูมันได้เล่นไปนะมันจะเห็นว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นมาก็ชั่วคราวเนาะ เมื่อวานนี้เดินอาจจะเหนื่อยไม่มากอ <c oughs> มันก็แต่พอสักพักเรืนหนึ่งก็ก็หายวันไหนที่เดินมากหน่อยนะโดยเป็นยี่สิบกว่ากิโลแดดร้อนๆอาจจะตึกเหนื่อยมากแต่พอพักสักวันหนึ่งเช้าขึ้นมาออกมันก็ดีขึ้นมันก็หายหรือแ ท, ท้จริงแล้วไม่แต่เท้าที่เจ็บเราคิดว่าเออมันเริ่มพองมันเริ่มแตกแล้ว แต่บางทีมันติดพาสเตอร์หรือว่ามันทนไปสักหน่อยที่มันก็ทอได้เนาะความเหนื่อยล้าในการขึ้นเขาที่ว่าจะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่พอใจเราเ อ, อ, อยจะไปยึดติดกับคำว่าไม่ไหวก็แค่เดินไปทีละก้าวทีละก้าวไปเนาะมันก็สามารถขึ้นเขามันก็สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เนาะในการ ในการเดินทางในการจาริกนะในการทุดดงนะในครั้งนี้นะก็คิดว่าพวกเราเขขอให้ตั้งใจในการตามรู้ตามดูอาการของกายของใจของเราอยู่เสมอเนาะนะนะแล้วกาการที่เราได้มาออกมาจากวัดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วเนาะที่เราได้มาได้ลองเรียนรู้ประสบการณ์ของชีวิตในหลายรูปแบบตัวเนี้ยนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะ อยากจะแนะนํานะอยากจะแนะนําถ้าจะทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะประโยชน์สูงสุดนในการทตดองในเรื่องของการคุกคีกันก็ดีในการพูดคุยกันก็ดีหรือเรื่องของการพักกันก็ดีถ้าถ้าพวกเราสามารถจัดสรรในการอยู่กับตนเองให้มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นนะ ทำไมแต่ก่อนครูบาอจารย์ท่านออกไปอยู่ป่าแค่รูปสองรูปไปอยู่ตามเขาไปอยู่ตามป่าช้าแล้วมันเกิดสภาวะเห็นอาการของของกายของใจของตนเองหรือว่าอาจจะมีเห็นสิ่งภายนอกอะไรได้ชัดขึ้นเพราะอะไรเพราะบางทีอย่างเช่นการอยู่ป่าช้าสมมุติถ้าเราอยู่แค่รูปเดียวอยู่คนเดียวเนี่ย บางทีอาจจะเห็นความกลัวในจิตใจตัวเองเกิดขึ้นมาตอนที่เราอยู่กุฏิตอนที่เราอยู่วัดนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่บางทีมาอยู่ป่าช้าเป็นหมู่คณะเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยน่ากลัวเนาะมันดูเหมือนอยู่เหมือนก็เราอยู่วัดธรรมดาเนี่ยแหละนะเ็ราเรามีเห็นเพื่อนอกดคนนั้นก็อยู่ตรงนี้เต็นท์คนนั้นก็อยู่ตรงนั้นมัน ม, มันรู้สึกอุ่นใจเราไม่นอนคนเดียวกับ ดุมฟังศพกับผีที่มาเผาตรงนี้ละแต่บางทีถ้าเราจัดสรรโอกาสได้เราก็พยายามหาเลือกที่ตั้งทำเลในการพักของเราให้ให้สงบสงัดมันก็จะทำให้เราอาจจะได้เห็นกิเลสที่มัน เ, เห็นอย่างเช่นความกลวมปุดขึ้นมาตื่นขึ้นมากลางดึกมันปวดฉี่ ลองสังเกตดูมีความกลัวไหม น, ะ, นะมันมีความรู้สึกอย่างไรอะไรแนะนีนะอันนี้ก็หรือแม้แต่เรื่องการคุกคีการพูดคุยกันถ้าถ้าจะดีเนาะถ้าวกเราสามารถปีกกันในช่วงที่ที่มันไม่จำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องนะเช่นการฉันการทาวัดหรือว่าการฝึกษาหารือในการงานในการเดินทางวันนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่นอกจากนั้นเราลองดูเสียโอกาสโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษมากนะที่เราจะได้อยู่กับตนเองจริงๆนะในการเจริญสติในการทำสมาธินะพอเราได้อยู่แบบนี้นมันจะทาให้เรียกว่ามีกําลังของจิตมันมากขึ้นเพราะว่าการทุดดวงนี่ มันต้องอาศัยกาลังของจิตเป็นที่ตั้งเลยน ะ, นะเพราะว่าอะไรบางทีอย่างในสายวัดป่าเองท่านท่านจะเน้นให้ผู้ที่ออกทุ้ดงเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นพระที่ห้าพรรษาขึ้นไปนท่านถึงจะให้ออกทุ้ดงรูปเดียวได้แต่ถ้าเป็นพระที่น้อยกว่าห้ารรษาขึ้นไปคูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ออกเดินทางผู้เดียวเลยนะ ต้องให้มีไฟกับพระที่ที่เรียกว่ามากกว่าห้าพรรษาขึ้นไปนะให้ใครให้เป็นให้เป็นผู้ติดตามไปเพราะว่าอะไรบางทีการออกทุ้ดงเนี่ยบางทีมันเจออารมณ์แล้วถ้าเอาผู้นั้นไม่เฉดดัดในการที่จะกลับมารู้สึกตัวไม่ฉดาดในการที่จะเรียกว่าเอาตัวรอดในใ น, ในทางทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะ มันก็จะทำให้เกิดการเสียเกิดการเกิดผลเสียมากกว่าเกิดผลดีนะบางทีบางทนะีทุ ด, ดงบางครั้งบางคนก็ทุ ด, ดก็แขวนบาดแขวนจีวรไว้ตามบ้านไว้ตามป่านะศึกษาศึกออกไปก็เยอะนะเดีบางคนไปอยู่ตามถ้ำไปอยู่ตามป่าเสียชีวิตหรือว่าเสียสติไปก็มากนะเพราะอะไร บางทีไปเจอไปเจอสิ่งทดสอบแล้วก็ไม่สามารถทานได้นะหรือว่าไปเจออารมณ์ที่มันังแรงแล้วก็ติดอารมณ์นั้นก็เรียกว่าไม่สามารถออกได้นั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี้ท่านจะเรียกว่าท่านจะกวดขันหรือว่าท่านจะระวังในเรื่องของผู้ที่จะออกเดินทางผู้เดียวหรือว่าผู้ที่ออกไปทุ ด, ดงเพราะว่ามันจะทําให้บางทีถ้ามันดีก็ดีไปเลย แต่ถ้ามันเสียบางทีก็เสียเลยแล้วก็แก้ยากแต่พวกเราก็ก็ดีนักมาเป็นหมู่เป็นคณะก็ผู้ที่มีประสบการณ์ก็พอจะแนะนำพอจะแนะนาเรื่องการปฏิบัติหรือว่าเป็นหมู่เป็นมิตรในการในการให้คาแนะนำได้แต่มันก็มีข้อเสียนะถ้าถ้าเราเป็นหมู่คณะแล้วก็เรายังไม่ลดละในการคุกคีเนาะมันก็จะทำให้ ประโยชน์ในการที่เราจะอยู่ผู้เดียวมันมันไม่เต็มที่ดังนั้นให้เราพยายามจัดสรรเวลาในการภาวนาหรือว่าในการไม่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ไม่จําเป็นให้มากเนาะเราจะได้ประโยชน์มากจริงๆนะเพราะว่าอย่างตัวเองคิดว่าแต่ก่อนที่เคยเดินทางทุดตรงคนเดียวรู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราได้ประโยชน์มากในการที่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นอารมณ์ เห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตัวเองในในชัดขึ้นนะแล้วก็ทำพอถ้าเราสามารถมีสติตั้งมั่นต่อาการดูการเห็นอารมณ์แม้มางทีมอาจจะไว้ไปบ้างแต่เราก็สามารถกลับมาได้เนี่ยมันมันเพิ่มความเข้มแข็งให้กับจิตใจของเรามากนะอันนี้เราก็เห็นประโยชน์ว่าเออการที่ที่เราสามารถอยู่กับตนเองได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ที่มีค่ามากทั้งๆ ท, ที่แต่ก่อนตอนอยู่วัดก็ดีตอนบวชก็ดีเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคุค๊บกี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วเราคิดว่าการอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่ง่ายสาหรับตัวเองนะแต่พอตอนออกทุด่ดงคนเดียวเนี่ยมันรู้สึกโอ้มันเห็นความเหงาในจิตใจของเราตอนอยู่วัดมันอาจจะรู้สึกไม่เหงาเพราะว่าอย่างน้อยแต่ละวันในตอนเช้าตอนทำํำทำวัดหรือวัวดธรมยนต์บ่ายมันก็ยังเจอเพื่อน แต่พอออกมาอยู่ผู้เดียวนา น, น, านเป็นหลายเดือนนะไม่ได้พูดคุยกับคนที่รู้จักไม่ได้ทําการงานอย่างอื่นเลยนอกจากการเดินแล้วก็การพักการสวดมนต์เท่านั้นนะแม้แต่หนังสือสักตัวก็ไม่ได้อ่านมันก็เห็นเห็นอารมณ์พวกนี้ยปุดขึ้นมานะบางอย่างเนาะที่เรารู้สึกว่ามันเราไม่มีหรอกนะที่เป็นกิเลสในใจของเรานะ เป็นความกลัวก็ดีเป็นความเหงาก็ดีหรือว่าเป็นความาเป็นความรู้สึกลึกๆอะไรสักอย่างนะก็ดีเนาะบางทีในการทดลงเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นน ะ, นะเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วก็การเห็ น, นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยพผมแล้วอาตมาคิดว่ามันเกิดประโยชน์มากนะเพราะมันจะทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น พอเรารู้จักตนเองมากขึ้นนั่นแหละคือการที่เรารู้ทันกระบวนการทำงานของจิตหรือบางทีเป็นการที่จริงไม่ใช่กระบวนการทำงานของจิตหรอกเป็นการรู้ทันกระบวนการทำงานของกิเลสพอเรารู้ทันกระบวนการทำงานของกิเลสเมื่อนั้นแหละกิเลสก็กกทำลายจิตไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสมมติเราเป็นนักกีฬาถ้าเราศึกษาคู่แข่งนะ เรารู้ว่าคู่แข่งเขามีวิธีเล่นเช่นไรนะเขามีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะเราศึกษาคู่แข่งจนทะลุ ป, ปลุโปรงโอกาสที่เราจะ เ, าเรียกว่าวางเกมในการเอาชนะเขามันก็ได้นะหรือเป็นนักธุรกิจเราศึกษาการตลาดศึกษาคู่แข่งอย่างดีเราก็สามารถวางแผนในเชิงธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้น หรืออย่างที่นในตำราพิ่ชายสงครางเขาก็บอกนะนถ้าถ้ารู้เขารู้เรานะรบลอยครั้งหนึ่งก็ชนะลอยครั้งแต่ถ้าเราไม่รู้จากทั้งคู่แข่งหรือจากทั้งตนเองเนาะรบลอยครั้งก็แพลอยครั้งฉะนั้นการที่มีสติรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันกระบวนการทํางานของกิเลสนะ ถ้าเราสามารถมีสติรู้เท่าทันกระบวนการทางานของกิเลสได้นะเราก็จะจับทางกิเลสได้เมื่อจับทางกิเลสได้เราก็สามารถชนะกิเลสได้กิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันล้ก็ชนะเขาล ะ, ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะ น, นั้นกิเลสเกิดขึ้นมาอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปห้ามมันแต่เพียงแค่รู้ทันมันจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสเราก็จะเห็นว่ากิเลสเออมันก็เป็นเพียงแค่กิเลสแต่มันไม่ใช่จิตนะตัวเราที่แท้จริงพอไม่ไปยึดว่ากิเลสนั้นเป็นจิตของเราแล้วก็ไม่มีความเราเป็นผู้โกรธเป็นผู้โลภเป็นผู้หลงเป็นผู้ทุกข์อะไรแล้วมันก็เป็นแค่เป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉยๆดังนั้นที่จริงเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่เราเคยฝึกกันมาก็ดีเที่ยงมันไม่ได้แยกขาดจากการ ทุดดงเลยนะแต่เห็นว่าถ้าเราเอาทั้งสองส่วนมาเสริมกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากเพราะบางทีผู้ทิศทุดงไม่ถูกก็จะไปยึดในข้อวัดว่าจะต้องทุดดงเท่านั้นถึงจะเป็นการบรรลุธรรมหรือจะต้องยึดแต่ว่าต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำต้องกดต้องกินอาหารมื้อเดียวหรือว่าต้องนอนในป่าช้าต้องนอนตามคนไม้เท่านั้นถึงจะเป็นการทำให้เกิด การเข้าใจธรรมะได้แต่แท้ยิย่งแล้วเนาะการถือทุดงเขวัดถ้าเราปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติจเจริญสติได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่วิเศษมากที่จะทําให้เราเกิดการพัฒนาตนเองอย่างอย่างเรียกว่ า, ามากมายเลยเนาะเป็นก้าวกระโดดเลยก็ได้เนะาะอันนี่ยถ้าเราลองปฏิบัติดีๆทั้งมีสัจจะในการที่จะรักษาข้อวัดธุดงเขวัดสกี่ข้อก็แล้วแต่ เราก็ดูตัวเองนะหรือว่าแล้วก็เราก็เจริญสติไปควบคู่กับการที่เราออกทุดงครั้งนี้ด้วยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากนะกับตัวของเราเองเนาะอยากให้พวกเราทุกคนในได้ใช้วันเวลาที่เราได้จัดสรรตัวเองมาในการทุดงครั้งนี้ให้มากที่สุดเราก็จะเกิดประโยชน์กับกับตัวของเราเองเราก็จะเกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะหรือเรากลับไปอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านที่ทางาน มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะก็คิดว่าฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้